เวลาที่เธอยิ้มมันช่นนางสดใสโลกถึงใบกลายเป็นสีชมพูเพียงแค่เธอยิ้มมาใจมันสั่นยังไงไม่รู้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพู หัวใจฉันแทบจะวายตอนที่เธอสบตาฉันก็แทบจะปาตายรู้ไหมฉันเจะละลายแล้วชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบ ที่ผ่านมาจะกี่สิบล้านคนก็ไม่มีใครเคยเข้าตาแค่อยากจะบอกกับเธอให้รู้ไว้ว่าเธอมีความพิเศษที่อยู่บนความธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะเพราะเธอไม่เคยเหมือนใครเป็นแบบของเธอโดยเฉพาะคนอื่นจะเป็นยังไงฉันเอง ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบ